5. ้าอจเจละกะาววักสิอุยโยทิกาสิกข า, าบทว่าด้วยการไปดูสนามรบเรื่องพระชับขี322ีสสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพทธเจ้าประทับอยู่นาพระเชตวันอารามของอนาถาบินทิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพวกพิสุชัิพับีพักแรมอยู่ในกองทัพสองถึงสคืนไปที่สนามรบบ้างที่พักพลบ้างที่จัดขบวนทัพ บ, บ้าง ไปดูกองทัพที่จัดเป็นขบวนแล้วบ้างภิกษุชาวบัปปีรูปหนึ่งไปที่สนามรบถูกยิงด้วยลูกศรพวกชาวบ้านพากันเยาะเย้ยว่าเป็นอย่างไรพระคุณเจ้าท่านรบสนุกไหมท่านชนะได้กี่แต้มภิกษุนั้นถูกเยาะเย้ยจนเก้อเขินพวกพลรบตำหนิประนามพลทนาว่านชยพวกพระสมณะเชื้อสายศักยบุตรจึงเที่ยวดูสนามรบเล่า ไม่ใช่เป็นลาบของพวกเราพวกเราได้ไม่ดีที่พวกเรามาสนามรบก็เพราะการครองชีพเพราะต้องเลี้ยงดูบุตรภรยาพิกษุทั้งหลายได้ยินพวกพลรบตําหนิประนามพลทนาบรรดาภิกษุผู้มักน้อยจึงพากันตนําหนิประนามพลทนาว่าฉนัยพว ก, กพิสูตชาวพัีจึงไปเที่ยวดูสนามรบเล่าครั้นภิกษุทั้งหลายตําหนิพว ก, กพิสูตชาวพัีโดยประการต่างๆแล้วจึงนําเรื่องนี้